Book 2 <30. S> 3สามสิบที่ร้านอาหา ร, รสองที่ร้านอาหารอนอ้ปปํนาแองที่้านรับ t o l o n g s a อ i buah a งท l ่ร้าอสานร่้าามานาวครับี่อน้นาร ตลองลิมุนเนีขอน้ำมาเขือเทศครับตลองสารีบว่าตอมัตเนี่ผมขอวายแดงหนึ่งแก้วครับ saya ingin se gelas anggur merah ผมขอวายขาวหนึ่งแก้วครับ saya ingin se gelas anggur putih ผมขอแชมเปร์นหนึ่งขวดครับ saya ingin se gelas anggur ber soda คุณชอบปลาไหมครับ kamu suka ikan? คุณชอบเนื้อวัวไหมครับ kamu suka daging sapi? คุณชอบเนื้อหมูไหมครับ คุณ suka daging babi ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ n g i อ s in e ก u a t u t a ร p a d a ม i n g ผนต้อสัตวมฉันอยากกดนอะไรที่ไม่ม i เนื้อสั u ว a n ัน in อยากได้อะไรที่ไม่วลานําไม่นาน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 anda อยากกินกับข้าวมันฝรังรสชาติไม่อร่อย saya tidak ส u k a r a า a า y a นอาหารเย็นชืนนด่อด้สผมไม่ได้สั่งจานนี้ผมไม่ได้สั่งจานนี้ผมไม่ด้งจานผมไม่ได้สั่งจานนี้ไ่สาี่ดัมมสัน า, าไี่